อนาปฏิวาลภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1,173 พหนึ่งิภิกษุณีบวชให้เวระยะหนึ่งปีสองภิกษุณีวิกลจริตสามภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่สิบสองจบ